วันนี้เป็นวันที่สองการเริยนพระกรรมฐานก็ขอแนะนำบรรดาญาโยมพุทธบริษัทวันนี้ขอพูดตอนต้นก่อนนะตอนต้นจริงๆคขาบรรดาเจ้าพุทธบริษัทเ้อนทราบว่าสมาธิก็ดีฌานสมาบัดก็ตามจะ อ, อยู่กับเราได้เมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์อันนี้มีความสงคัญมากนะ วันไหนศีลบกท่องวันน agen, ั้นสมาธิหร ja, ือฌานก็บกท่องด้วยดังนั้นขอบรรดาญาโยมผู้บริษัททุกคนให้รมัดรวังศีลเป็นเรื่องใหญ่ที่ที่ปฏิบัติจริงๆบรรดาญาโยมทุกคนโปรดทราบอันดับแรกเหมือนกัรคืนหนึ่งกำหนดรู้หรือไม่ใจเข้าออกเรื่องนี้ไม่ได้นะการรู้หรือไม่ใจเข้าออกนีแม้แต่พระเจ้าเอง ก็สนใจกับสารีบทว่าสารีปุตตะดูก่อนสารีบุตาทถาคตเองก็เป็นพวกมากนานาตานุสติไม่ไหมายความมาจิตเข้าไปรับรู้ลมหายใจเข้าหรลมไายใจออกเพราะว่าทำจิตให้เป็นฌานได้ง่ายและการที่สองการรู้ลมหายใจเข้าที่ออกไปการระงับกายสังขารระงับทุกขเวทนาถ้าทุกขเวทนาจากการป่วยไข้ามาเสยบายเกิดขึ้น ถ้าเราสามารถทำจิตถึงอุปจาระสมาธิภพเวทนาต่างๆจะมีการคลายไม่มีเลยสบายมากตอนเมื่อลมคลายจากสมาธิจุดนั้นสมาสุภาพปกติมันจะปวดน่องเสียดนี้มากขึ้นโดยกวามจริงมันตรวดตามเร็วขึ้มันเมื่อเวลาจิตถึงอุปจาระสมาธิเมื่อสมาธิเกิดขึ้นจิกตก็ห่างจากประสาท จิตไม่ยอมรับเรื่องของเศาสตร์ก็เมนก็เหมือนก็รคสงบแคนา้นาตาโนาติคือลมหาย ใ, ใจเขาออกมีความสำคัญกับบรรดาท่างาพุทตบริษัทมีความยสงคัญกับกรรมฐานทุกกองกรรมฐานกองใหญ่จริงๆมีสี่สิบกองแต่กองต้นที่เราต้องใช้คืออนาตาโนาติคือลมหาย ใ, ใจเขาออก อีกสามสิบเก้ากองถ้าจะใช้ก็ต้องยึดอนาปานุติเป็นพื้นฐานเหมือนกันคือต้องรูล้ลมหายใจเข้าออกเหมือนกันอันดับแรกขอบอนาญาตโยงพุทธบริษัทพยายามรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้ทำให้มากใช้เวลาที่มันมีว่างพอเล็กๆเป็นน้อยช่วขณะนาทีสนาทีสานาทีต่ อ, อตาม เวลาทำงานอยู่ว่าตามเวลาจะใช้รู้รดยไม่ใจเขาออกไม่ต้องไปนั่งขัดสมาธิถ้าเวลามีงานเอาจิตถคารับทราบเฉยๆจิตจะเป็นสุขหลังจากนั้นถ้ามีบทภาวนาด้วยก็ภาวน า, ว า, วนาตามมันใช้ได้เมื่อจิตเบื้องต้นกรรมฐานทุกองต้องขึ้นเหมือนกันหมดต่อนนี้ไปก็จะพูดเฉพาะกองที่เราจะพึงตัดวัแรกพูดมาแล้วสี่สิบกอง ให้สี่สิบกองในรูปไว้ก็ดีแต่ว่าถ้าใช้ไม่เป็นประโยชน์ก็น้อยกร น, นี้เอากองที่มีความจําเป็นจริงๆคือสังโยชน์สังโยชน์มีสิบแต่กรรมฐานที่ต้องใช้มีหลายอย่างอย่างอารมณ์ของพระโสดาบันก็มี 3, าสามพระสกิธาคารมีมีสามอารมณ์พระสกิธาคารมีหรือพระโสดาบันไม่ใช่อารมณ์อย่างเดียวกัน ต็ได้ว่ามีความอยากมีความละเอียดไม่เท่ากันพระโสดาบันหยากกว่าพระสิกขาคามีแต่ถึงขั้นพระสิกขาคามีก็ารละเอียดกว่าคือถือเท่ากันแต่หยาบละเอียดกว่ากันอัน <c oughs> นี้ก็จะพูดที่มรณานโนสติกรรมฐานคือในขั้วแล้ ว, ลวตั้งหน่งเรียบเผลอๆกันไปอันดับแรกคนเรียบเป็นพระโสดาบัน ให้ใช้มรณานเมตตาถานเป็นอารมณ์คำว่าเป็นอารมณ์ก็ไม่หมายความว่าต้องใช้กันทั้งวันจะไม่คิดเป็นการงานอื่นเลยอันนี้ไม่ใช่เพืเ่อเพียงมีความรู้สึกว่าเราไม่ลืมความตายก็มีความรู้สึกตามความเปจริงว่าเพื่อนของเราเกิดมาพร้อมเราเขาตายไปแล้วก็มีคนรุ่นน้องที่เกิดทีหลังเราก็ตายไปแล้วก็มี คนลุนพี่รุเพ่อลุนแม่ลุนผู้ใหญ่ท้่ตายไปแล้วกำนมากแล้วก็เราคนเดียวโดยที่จะไม่ตายในโลกนี้เราก็ต้องตายเหมือนกันก็มีความเชื่อมั่นในตนเองว่าเราจะต้องตายเมื่อก่อนที่คิดว่าเราจะตายก่อนจะตายเราก็ตอ้องยิี่พึ่งขึ้นเชื่อว่าการเกิดสุนทรภูต์อาจจะมีอีกก็ไดท้ทั้งทั้งที่กำลังใจของเราปรารถนานิพพาน เราก็ยังไม่แน่ใจว่าความเข้มข้นของอารมณ์คือคือคือบา ร, รมีความเข้มขม้นข้อตรงในบา ร, รมีสิทธจะเข้มข้นพอหรือไม่พอเราก็ตั้งหาทางตัดทางความสวยทุกขเวทนาไว้ก่อนนั่นคือตัดนรกวิทีทต้องกันไม่ไปนรกคือเอาจิตใช้ปัญญาพิจารณาความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสง เห็นว่าดีจริงก็ยอมนัดนัดถือด้วยความจริงใจต่อไปก็มีศีลและกรรมบทสิบริสุทธิ์การว่า จ, จะนึงพิจารณาความตายก็ต้องดูตัวอย่างขอย้อนเรื่องเดมิมที่เขาก่อนดูไม่จะพูดแล้วแต่ครานี้ก็ขอพูดซ้ําการพูดซ้ําคนที่รู้เรื่องแล้วก็มีความมั่นใจยิ่งขึ้น คนที่ไม่รู้เรื่องเรื่องต่อไปเปนรนประการลึกถึงความตายถึงขั้นพระโสดาบันก็มีเปสสารีที่พระเจ้าทรงสอนเองในสมัยนั้นท่านเปสสากรีเป็นเด็กหญิงอายุ16บหกปี <c oughs> องสมเด็จพรจินัสสีเสด็จไปเมืองอาราวีเปรสารีจิตนันก็ทรงไปประทับในสถานที่แห่งหนึ่งในป่ามีท่านไม้เที่ประทับ แตาบ้านเขารู้ว่าผลเดชพระสัมมาพระเเจ้ามาต่างคนต่างก็มาหานำพัตตาหารมาถวายองสมเดจพระจอมไทรก็ทรงสมเดจพระจอมไทรก็ ส, งสรสงรับพัตตาหารเมื่อสวยเสร็จก็ส่งเทศเทศย่อยๆว่าเธอท่านหลายชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยง ทุกคนจงอย่าลืมความตายก่อนที่จะตายให้ส่งความดีก็ไว้คืนหนึ่งมีศีลบริสุทธิ์อีกหนึ่งมีนิจจากการให้ทานนิจากการรักษาศีลนิจา ก, การเปรี่นภาวนาคำว่าภาวนาก็คือใช้ปัญญาเข้าใจตามความจริงว่าในชีวิตของเรามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น มีความแก่ในทางกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดใาที่สุดแล้วก็ตายไม่กันให้ตั้งใจตามความดีเมื่อสมเด็ดไปสำมาถมุติเจ้าเทศดยอ่ยอตามนี้พมะเทศจบแล้วก็กลับเวลานั้นปรากุแระคนทั้งหมดนอกจากเปสิกาลีถ้าว่าเปสิกาลีเนี่ยแปลรุษ า, มาไม่ช่างหกไม่ยิงสื่อเนื่อ มีแด็หญิงเปริกาลีคนเดียวที่จำคำเทศของพระเจ้าได้หมดและได้นสนใจปฏิบัติตามสมื่หรับท่านที่เป็นผู้ใหญ่ทั้งหมดพระรู้เจ้าสเสด็จกลับท่านลุกไปแล้วครับคำเทศพระเจ้าก็หลงหายหมดไม่มีใครจำไม่มีใครสนใจมีแต่เปริกาลีคนเดียวเมื่อกลับไปบ้านก็ตั้งใจคิดว่าพระเจ้าผู้มีวรรคพั้นมาคล้ายๆพระจันทร์สวยมาก ท่านตัดว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงทุกคนหนาหลายยุ่งยาประมาทแต่ชีวิตให้คิดทําความดีเพ่ทางความดีหนึ่งมีการให้ทานสมิการนางสาสวศิลป์ถามเจรภาวนาเป็นต้นคีอสาหรับท่านเปรย์เป็นปกุศลารีนี่แม่ตายมาก่อนเหลือแต่พ่อพ่อก็มีโรงท้อทอหอยู่ระหว่างไลไปหน่อยหนึ่ง แต่มาเวลาล่วงมาอีก3ปี <c oughs> ปรกปากฏว่าท่านเปชการีอายุ19ปีคืนวันนั้นคือวันหนึ่งองค์ทส้นเด็กปฐมณัฐสีทรงเกิอดดูปฏิสัยของสัตว์เวลาเช้ามดืด <c oughs> ก็ปรากฏว่ามีภาพของเปชการีตกอยู่ในถ่ายพยานองค์ เ, เด็กพระจิตจมนายก็ทรงสงสัยทรงเสียงดิว่าเด็กหญิงคนนี้ เมื่อสามปีก่อนได้พบแล้วครั้งหนึ่งวันนี้เขากลับมาตกอยู่ในข่ายพยานแต่ความจริงคนที่ตกเยู่ในข่ายพยานอั้นมาร ย, ยาโยนโปรดทราบว่าคนมันจะต้องบรรลุมรรคผลถ้าไม่มีเหตุบรรลุมรรคผลจะไม่เข้ามาสู่ข่ายพยานยานจะไม่เห็นแล้วสงสัยว่าเด็กคนนี้วันนี้ตกอยู่ในข่ายพยานอีกจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเธอก็ทรงทราบว่าวันรุ่งขึ้น คือตอนเช้าอ่ะต้นรุ่งขึ้นวันที่จะถึงนี้ตอนไรสายเธอจะต้องตายก็พิจารณาต่อไปว่าการตายของเธอจะมีสติแน่นอนไหมทีนี้สติไม่แน่นอนคําว่าสติแน่นอนจะหมายความว่าไม่ต้องลงอบายความกันอีกมกกีการเกิดเป็นรุดาการเกิดเป็นพมอาการเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นข้าอเดียเจ้าต่อไปสจะพนิพภาณ ก็ทรงทราบโดยกาลังผู้ของพุทธิยานว่ามีคติไม่แน่นอนการตายของเธอเท่านี้จะไปสวรรค์ก็ได้จะไปนรกก็ได้การเยี่ยนไหวใจเธอในวัดตระมีอยู่สมเด็จพระรามนต์คูจะพิจารณาต่อไปว่าถ้าเราจะช่วยเธอจะช่วยได้ไหมก็ทรงทราบว่ า, าช่วยได้วิธีการช่วยก็ทราบเดิมหน้าพุทธิยานว่าถ้าไปที่ตรงนั้นเธอมาหา ถปัญหาสี่ข้อเมืเ่อเธอตอบผูกให้ยกมือทุษาทุกการทษาทุส า, า, ส า, า4สี่ครั้งพอครบสี่ครั้งเธอเป็นใบโสดาบันกันเป็นบโสดาบันและตอนสายเมื่อเรากลับแล้วเธอไปลงพอโหดจะตายที่นั่นเมื่อทราบตามนี้แล้วตอนเช้าองค์สมเด็จินาศีสเสวยพระตาหารเสร็จก็ทรงบาดจีวรไปแจกองค์เดียว ไม่ชวนพระอื่นไป <c oughs> ไปถึงก็ไปนั่งที่เดิมท่านเ <c oughs> นบรรดาบรรดาท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายทราบก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกคนถวายพระตาหารพระพุทธเจ้าก็ทรงรับสเสวยพระตาหารเสร็จถ้า ต, ตามธรรมดา่าถ้าถ้าฉันพระตาหารเสร็จก็จะมีคนข อ, อาบาดไปจะไปอุ้มบาทแทน ถ้าเขาอุ่มบาทแทนพระพุทธเจ้าก็เทศวันนั้นพระพุทธเจ้าชันเสร็จมองไปอยู่ไม่เห็นไ ม, ไม่เห็นเปรสการีมาม่มีมีคนจะเข้ามารับบาทพระองค์ก็ไม่พระระาชทานไม่ประทานบาทให้ถือ <c oughs> บาทไว้เองทรงตั้งเดิดในใจว่าเรามาเพื่อบุคคลผู้ใดถ้าคนนั้นยังไม่มาเราจะยังไม่เทศ ในขณะนั้นแตกก็เปส ก, การีเธอก็ท ร, ราบหกันว่าพระพุทธเจ้ากรเด็ดแต่ว่ากิจที่ต้องทํามีอยู่ว่าตอนเช้าต้องนําอาหารไปให้พ่อที่โรงทอโฮที่พระพุทธเจ้ามานั่งประทับอยู่ข่อมทางพอดีบ้านอยู่ทางนี้หลวงทอโหอยู่ทางโน้นพระพุทธเจ้ามานั่งค่อมตรงกลางระหว่างกลางพอดีในวันนั้นมาตอนเย็นก็นบอกว่าก็ว่ามาวันวานนี้พ่อสั่งบอกว่าลูกเอ้ย ได้สนากอพอผ้าวันหมดพรุ่งนี้เจ้าจะมาแล้วรอได้แม่พ่อด้วยนัน <c oughs> เบตกาลีทำอาหารเสร็จแล้วรอได้เสร็จก็สายไปหน่อยยิ่งไปไม่ทันเขาเมื่อเสร็จแล้วพีกระดมดีว่าเราจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนแล้วไปหาพ่อก่อนถ้าไปหาพ่อก่อนสายเกินไปพพุทธเจ้าอาจจะกลับไปก่อนก็ได้ การพบพระพุทธเจ้าเป็นการพบได้ยากมาพบมาสปีก่อนนะ้อนเวลานี้วันนี้จะพบอีกจะพบอีกครั้งหนึ่งก็ <c oughs> <c oughs> ไปหาพระพุทธเจ้าก่อนไปหาพ่อสายเกินไปพ่ออาจจะดา่าอาจจะตีก็ได้เองก็ตัดชินใจถือว่าการพบพระพุทธเจ้าเป็นของยากก็ตัดชินใจไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนพ่ อ, อ จ, จะดา่า จ, จะตีก็ตามใจไม่ไวว่าอะไรยอมยอมถูกลงโทษ จากนั้นแม่กอได้เสร็จตาสินใจแล้วก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าขณนะที่เข้าไปเฝ้าคง น, นั่งล้อมอยู่มากเสียก็นั่งอยู่ใกลสมเด็จไปจอมใจทรงเห็นเข้าก็มองหน้าเธอเมื่อไปตาจะชนกันเข้าก็ะไรประสบสุตาเนียสาตาชนกันเข้าเสีก็ทราบว่าเวลานี้สมเด็จสมหมายพพุทธเจ้าต้องการให้เข้ามาใกล้ ก็ขอหลีดทางเข้ามาใกล้เพราอเข้ามาใกล้ๆตรงหน้าข้างหน้าพุทธเจ้าแล้วสมเด็จพระบพิธีแก่ก็ทรงจัดถามว่าพระ ก, กินิโดยก่อนน้องหญิงเธอมาจากไหนในชาติจำได้หมดไหมไม่จำหมดไปแล้วถามว่าพระกินิเธอมาจากไหนเธอก็ตอบว่าใบสาบพระเจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าถามว่าแล้วเธอจะไปไหนเธอก็ตอบว่าไม่ทราบไปเดียวกันพระพุทธเจ้าถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบเจียวกันพระพุทธเจ้าถามถามว่าเธอทราบหรือเธอก็ตอบว่าไม่ทราบเจียวกันน่นหน้าฟันออกเจ็บเป็นหอกลุกนะก็ลงความว่าคล้ายๆกับเธอรวนพระพุทธเจ้านันดาผู้ใหญ่ทั้งหลายทั้งที่หน้าที uh> ่ไหนักก uh ็ต่างคนส่งเสียเอะวอวาย ด่าว่าหญิงจังไรเป็นเด็กเล็กนิดเดียวล้อเลีนลูกที่เจ้าที่ไิธี่คลอดมัดถือก็โปรกชนแล้วไล่สมเด็จพระเทพรันทรงยกมือขึ้นห้ามบอกว่าช้าก่อนอย่าเพิ่งต่างิกันสักไต่สวนเขาก่อนไล่สมเด็จพระจินบวรเนืบบ้ย้อนถามว่าพระกนินนีดูก่อน น, อน้องหญิงที่แต่ทาคตถามเธอว่าเธอตอบถามเธอว่ามาจากไหนเธอตอบไว้ทราบในหมายความอย่างไง เลยก็ตอบว่าการที่หม่อมฉันมาจากบ้าน <c oughs> สมเด็จพระคิตตมานยาา่อมทราบด้วยหนาจพระพุทธญาณแล้วแร่การในองค์สมเด็จพระบพทธพแก้วทรงถามก็หมายว่าก่อนจะเกิดมาจากไหน <c oughs> หม่อมฉันไม่ใช่ไม่ทราบประจการไม่ทราบ ม, ม, ม, ม, มาจากสวรรค์มาจากนรกมาจากเปลือกสุรกายหม่อมฉันไม่ทราบตอนนี้พระพุทธเจา้าทรงให้ทุกการศึกษาถูกแล้วถูกแล้วดีแล้วถูกแล้ว เป็นการให้สาธุการครั้งแรก <c oughs> ต่อมาพระเจ้าก็ย้อนถามข้อที่สองว่าอสองในที่สถาคต ถ, ถ, ถามว่าเธอจะไปไหนเธอตอบว่าไม่ทราบในหมายควา ม, มอย่างไงเฮ้ยก็การาบทูลองเส้นประจานใจว่าปันเตยพระกรวาร์ข้าแต่องค์ณเดชพระภู้มีมมมพระท้าวเจ้าภูเจริญพระเจ้ากาการที่หมองฉันจะไปโรงทอหูกโรงก็ทราบเดิมหน้าพระพุทธญาณแล้ว แต่ว่าคำถามพระองค์พร้เด็พระพติธเจ้าถามว่าเธอจะไปไหนและหมายความตายแล้วจะไปไหนหมองฉันไม่ทราบเจา้าการว่าจะไปสวรรค์ไปเกิดเ ป, ป็นมนุษย์ไปนรกเป็นเตระสุรกายหมองฉันไม่ทราบพระพุทธเจ้าให้สาธุการมาถูกและยุบเือสาธุอีกครั้งหนึ่งถึงครั้ง่สองต่อมาพระองค์ก็ถามว่าที่สถาคถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบหมายความยังไง เลยก็ตอบว่าการที่ตอบว่าทาบต่อหมัยเขาทราบว่าชาตินี้ต้องตายกันแน่เพราะคำสอนพระ อ, องค์ที่สอนไว้ในใจก่อนมาสมปีที่ผ่านมาทรงสอนไว้ว่าชีวิตในของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงให้ทุกคนอย่าประมาทแต่ชีวิตคิดในความตายไว้เสมออันนี้ม่อมฉันคิดแต่วิคิดถึงต่างความจริงว่าแม่เกิดมาก่อนแม่ตายไปแล้วเวลานี้ก็เหลี่ยมหม่อมอฉันอาจจะตายก็ได้ ถ้าพระเจ้าก็ให้สุดถาธิการอีกครั้งหนึ่งต่อไปพระเจ้าย้อนถามข้อสี่ที่เธอถามก็ตถามว่าเธอทราบหรือเธอตอบว่ไม่ทราบจะหมายความยังไงเธอตอบว่าการที่ต่อก็ไม่ทราบเขามาทราบจะ ท, ทราบแค่ตายว่าชาตินี้เกิดยังไงไงก็ต้องตายที่ตอบเปนข้อสี่ว่าไม่ทราบก็เพราะไม่ทราบว่าจะตายเวลาไหน จะตายวันนี้ตายผู้นี้เดือนนี้เดือนหน้าปีหน้าปีนอนก็ไม่ทราบจะตายเวลาเช้าเวลาสายเวลาบ่ายเวลาเที่ยงก็ไม่ทราบเหมือนกันตอนพระเจ้าก็ให้สาธุการอีกวาระหนึ่งเป็นครั้งที่สี่กปรากฏว่าตอนนั้นเทศกาลีบบรรลุโสดาปิผลที่ความจริงการตัดแซงโยกคนใดแต่พุทธบไหลใส่เขาตัดกันตัวเดียวตัวแรกที่เรียกว่าสกายทิพิ สำหรับปะโสดาบันตัดไม่ง่ายสั้นๆที่นึกถึงทุงทงทกวิชีเราตอนตายนั่นเป็นเสกาลีไม่มีความมั่นใจมีจิตเป็นชาในมรณานิสกรรมฐานจึงเป็นปัโสดาบันก็ตาเทติทํากระจปเลยนะหลังจากนั้นมาเมื่อเปสกาลีบรรลุ ป, ปะโสดาบันแล้วองค์สมเด็จพระที่แก้าแก้วกระจกทิพ เมื่อเทศจบพุทราโที่คนที่รับฟังทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นประสดาบันเหมือนกันเมื่อสมนเด็จพระกวันตันเด็จกลับทุกคนก็กลับบ้านท่า <c oughs> นเปจะกาลีก็ไปรงทอหูพอไปถี่นั่นปรากฏว่าท่านพ่อรอลูกสาวสายเกินไปหิวก็หิวสายก็สายเหนื่อยก็เหนื่อย ก็พยายามนั่งทอดต่อผ้ามือจับพืมมือหนึ่งจับกระสวยทอผ้ารอลูกสาวอาสายที่ลูกสาวไปสายเต็นไปหิวมากเปลี่ยก็เลหลับมือซ้ายจับฟืมมือขวาถือกระสวยพร้อมที่จะพุ่งจะไม่ได้พุ่งตั้งท่าแปบนั้นหลับข่าวพรมเมื่อลูกสาวเดินเข้าไปไม่ทันสังเกตแล้วพ่อหลับเดินเข้าไปตัวไปกระทบฟืมเขาพรมเขาหน่อยเดียวฟืมไหวพ่อตื่น ใอ้ใจเดิยที่ตั้งไว้แย่พุ่งว่าสวยก็ก็พู่งว่าสวยโดยแรงให้ก็สวยก็ไปถูกอกลูกสาวแล้ก็ทบไปมาเติมก็ทบอีกรู้อีกครั้งหนึ่งลูกสาวล้มมาถึงเ่อความตายเราวางความมาอดว่าข้าวที่นําไปให้พ่อเราไม่ได้กินคือความเศร้าโศกเสียใจพระลูกสาวเมื่อไปกาลีท่านตายไปแล้วองค์สมเด็จพระพุทธเจ้วทรงตรัสว่าท่านไปอยู่ชั้นดุสิตเป็นนางฟ้าที่ชั้นดุสิต แต่สำหรับท่านพ่อเมื่อลูกสาวตายมีความเสียใจเมื่อท่านชาวมณฑิดเขาสดลูกสาวแล้วก็ไปเท้าองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าแก้วคือพระพุทธเจ้าประยานเรื่องการเศร้ า, าโศกที่ลูกสาวที่ตายพระเจ้าทรงวาดธรรมะดยก่อนาธิการความเศร้ า, า, าโศกเสียใจของท่านเพราะเมียตายลูกตายลักษณะอย่างนี้เป็นมาแล้วทุกชาติในอดีต เพราะว่าถ้าจะเก็บน้ำตาของท่านไว้น้ำตาก็ยิ่งมากกว่าน้ำในมหาสมุทรจะมีความเชือใจไปะําใหม่ขึ้นเื่อความตายเป็นของธรรมดาของชาวโลกคนทุกคนมีฐานะเช่นใดก็ตามเกิดมาแล้วก็ต้องตายเหมือนกันไม่มีใครที่ดีเรื่องความตายได้หลังจากนั้นองค์พระบิดมจใจจัดอย่างนี้ท่้นทางก็คลายความคลายความโศก เราขอบวทในพระ조사สัญญาบทแมชช้าก็เป็นพระรหันต์ที่เล่าเรื่องนี้มายาวเกือบจะหมดเวลาเพรว่าต้องการน้ำบรรดาญาโยมพุทธบริษัทธ์หลายโดยต้นหน้าที่เจริญและกรรมฐานให้มีความเข้าใจถึงความตายเพระเป็นสัญญข้อแรกที่เราจะเป็นระโสดาบันความจริงกับสัยญอดูสิบอย่างพระตักโูดียที่เดวสักกายติทิ ส ก, กาญาติทิถ้าเป็นลมเขมโสดาบานันสกิทาชามีให้กำลังปัญญาไม่สูงและมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตาย <S S ถ้าเราจะปฏิบัติเพื่อเป็นพระนาชามี <S S ออ ก, าก็ต้องมีความรู้สึกว่าร่างกายที่มีของสุปกปกโโครกเป็นคนละขั้นกันถ้าปฏิบัติเพื่อความเป็นพบารัน ก็พุทธินมาตามความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่นสิ่งขอเราเราไม่มีร่างกายร่างกายไม่มีเราความรู้สึกไม่เท่ากันจนันนวันนี้ก็ขอย้ำแค่อมปัสโสดาบันขวัญดาญาโยมพุทธวิสัตถุท่านพยายามไขความาทีความตายเขไว้การนึกถึงความตายไม่ได้ทาใจหิวมือเท่ามือเท่าทําไปเกินไว้ไม่ไหวนี่ ไ, ม, ไ, ไ ม, ม่ถูก ต้อมีอารมณ์เป็นปกติจะมีความรู้สึกตามควา ม, มจริงว่าไม่มีใครสามารถทรงชีวิต ไ, ได้ตลอดการสรอดสมัยต้องตายในสุดแน่นอนแต่ก่อนจะตายเราจะต้องยับยั้งอบายภูมิเขาไว้ขึ้นเชื่อคนทุกคนที่เกิดมาแล้วไม่ทําบาปไม่มีแต่จะเป็นบาปที่เราทำชาตินี้ก็ดีบากทำชาติกองก็ดีเราไม่ยอมรับผลต่อไป ที่ไม่ยอมลงอบายภูมิไม่ยอมเป็นสัตว์นรกไม่ยอมเป็นเ ป, น ป, เ ป, นปรตไม่ยอมเป็นสิ่งกายไม่ยอมเป็นสติฉันเราจะมีที่มาอย่างต่ําก็คือมนุษย์อย่างสูงเมื่อไปก็เป็นติงเทวดาเป็นนางฟ้าหรือถิงเฟินอกจากนั้นจุดที่เรานิยมจริงๆก็คือวิพญาณเมื่อทิดอย่างนี้แล้วก็หาทางต้องกันรบายภูกขึ้นและยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจ แล้วข้อที่2นี้นนรบรรดาญาติโยมพุทธวิสัชน์หลายทุกคนก็มีอยู่แล้วทุกคนและต่อไปขพย า, ยามชำระศีลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนจะชำระกระโมรสีตเพราะกมรสีตนี้ถ้าสามารถทรงตัวได้จะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นประโสดาบันก็เป็นสิกธาามีก็ได้จะเป็ น, ป น, าารปนพระนาคาามีก็เป็นไมอยากจะเป็นพระหลานก็เป็นไมอยากเพราะมีการบิดเบื้งกายวาจาใจ การมบทสิทุกคนก็มีถึงจแล้วคนหลายหลายข้อเจะบกพร่องบางบางังสิทธาบทบางข้อเท่านั้นเ <c oughs> นื่อขอย้ำกําบทสิทธมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งทางกายบทที่หนึ่งทางกายมีสามคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สมไม่ประพฤติในกรรมสําหรับวาจามีสี่คือไม่พูดปด ไม่ส่อเสียดยุโยงสงเสริมก็แตกเรากันไม่พูดวาจาหยาบไม่ใช่วาจาหรือเพ่อเจ้อหรือไหลไรประโยชน์ระดับทางใจก็มีสามคือไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใดโดยไม่ชอบมมแล้วก็ไม่ไม่จองล้างจองผานใครความโกรธยังมีอยู่แต่ไม่พุทธะไม่อาาัเขา ในข้อสุดท้ายก็ทางใจมื่อสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกก็ไมาความว่าใช้ปัญญาพิจารณาทำสลายผลปริการที่เป็นที่กกว่าระดับในปรานปรสาสัมปะปฏิบัติตามในเมื่อทุกคนเวลานี้ที่รู้สึกว่าจะพ่องอยู่นิดเดียวของกรรมปิติภาพกลับทรงกรรมบิตให้ทรงตัวได้ก็ถือว่าทุกท่านตบบัดใบปภูมิได้ซึ่งที่ว่าบาปเกา่เกาๆในชาติก่อนมีมากเท่าไรก็ตาม <c oughs> แลในชาตินี้ทําบาปมาแลว้วอะไรก็ตามบาปทั้งหมดไม่สามารถจะนําท่านลงไปยังภูมิไม่ใช่เฉพาะชาตินี้เดียวทุกชาติต่อไปทศนาจะกว่าจะเข้ามิพัน์ก็เป็นอันว่าเวลาเหลือประมาณสามนาีเขาขอย้ําในบรรดาจ้ากรวมพิเศษทุกท่านว่าการเจริญกรรมฐา น, านท่านที่มาใหม่ก็มีแต่เลยว่าขึ้นต้นในนาปานุสติกรรมฐานที่เดินเข้ามาถึงใหม่นะครัขึ้นต้นก็โดยการรู้ลมหายใจเข้าออก แล้วก็ใช้ธรรมนาพวกสมัครธรรมที่ไม่เคยปฏิบัติเลยใช้ธรรมนาว่าพุโทโธเวลาให้ใจเข้าในหลวงพุทธลายเจ้าพทุทโธก่อนเยียภาวนาก่อยไข่เพื่องสัญญ่าสารเป็นก่อนอันดับแรกคิดว่าชีวิตที่มันต้องตายคนที่เกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีตามคําแนะนําขององค์สมเด็จพระจีนศรีว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเรายอมรับนักถือว่าเราจะต้องตาย ไปเราจะตายเมื่อไรก็ไม่ทราบอย่างที่เบตการีเช่นเดียวกันแต่การมีสองก่อนที่เราจะตายเราก็ต้องส่งความดีไว้ถ้าหากว่าบังเอิญยังจะมีความเกิดเพีางใดในชาติมาเราไม่ต้องการเป็นคนจนเราจะมีการให้ทานเป็นปกติการกำลังที่เราจะพึงให้ได้การให้ทานนี้ไม่ใช่ทุ่มเทนะ ควรให้ได้เพียงใดก็ให้แต่ยังไม่สามารถจะให้ได้ระยับยังไม่สอนจิตใจจิทุกดจะให้มีอยู่การให้ทานเป็นใบใจัยตัดความยากจนในชาติหน้าถ้าเป็นเทวดาทุกองก็มีทิพยสมบัติมากถ้าเป็นคนก็มีสมบัติมากต่อไปเราจะทรงสินให้บริสุทธิ์สินเป็นกําลังให้เป็นคนยึดปราศจากโรคภัยไข้เจ็บยืดหยุ่น่างหน้ า, นาตาสวยสงงามเป็นต้น แล้วก็ทัพย์สินงหลายจะไม่สลายตัวจากการังขอศีลใหเดระการนีสองศีลเป็นกำแพงป้องกันอาบอายภูมิถ้าเรามีศูนย์ไม่งคงหรือกำบลดศีลไ ม, ม่งคงอย่งญญางนี้ขอยืนยันว่ากำลังของศีลก็ดีกำลังกำบลดศีก็ดีดจะสามารถปิดอาบอายภูมิได้ที่เราไม่ต้องไม่ต้องลงไปหลังจากนั้นก็เราก็คิดตั้งใจว่าขึ้นชีวิตกาเรเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นขอ ง, งมไม่ดีมีความทุกข์ เป็นเพลิดเพลินแล ม, มีความสุขจริงแหละแตว่าไม่นานเมื่อหมดคุณศาสนาบารมีก็ต้องสัตว์มาเกิดเป็นทุกใหม่เราต้องการจริงๆที่ไปนิพพานตัดทิ้งใจตามนี้แล้วต่อไปข้ยารยพันธญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านเริ่มภาวนาตามปัญญาสายง่างกว่าอย่หมดเวลา2ี่นาทีต่อ น, นี้ไปข้าพพันธ์แตพุทธบริษัททุกคนตั้งใจสมาทานสื่อสมาทานเป็นกรรมฐาน